ก บ, บูชาพระรัตนตรยัยกบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกับกาบกระวะหลวงพ่อกลมเพื่อนสาธมิกก็เจริญพรแม่ชอีอุบาสุบาสิกาทุกท่านที่มาร่วมกันทาวัดในเย็นวันนี้ ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของที่วัดป่าสุกโตหลังจากที่เราได้ไหว้พระสดมนกันแล้วนะในบางวันก็มีหลวงพ่อกำเขียนมาเทศให้ฟังบ้างนะเปิดเทปบ้างนะแล้วก็มีครบาอาจารย์ท่านนุนท่านนี้มาพูดคุย ให้ข้อคิดนะเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจนะหรือว่าเป็นข้อมูลนะสำหรับที่เราจะใช้ในการปฏิบัติหรือในการที่เราจะเรียนรู้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เท่าที่สังเกตนะก็มีคนไม่มากนะัก นะแล้วก็มีคนใหม่ๆมาแล้วก็อาจจะมีพระอคันตุกะมาบ้างนะซึ่งตรงนี้าบางทีถ้ามาโดยที่ไม่รู้นะว่าจะเรียนรู้นะเรื่องของการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติของวัดป่าสุก โ, โตอย่างไง นะก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนนะ่มีความลำบากนะในการที่จะศึกษาในการที่จะเรียนรู้ผู้ที่มาวัดป่าสุขโตเนี่ยจะสังเกตว่าที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเราไม่มีข้อบังคับนะไม่มีระเบียบที่ชัดเจน นะหมายถึงว่าคนเข้ามาจะต้องมาฝึกอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนใหญ่เราก็เปิดให้เป็นอิสระนะคนที่เข้ามาก็จะต้องสังเกตนะแล้วก็อาจจะต้องสอบถามนะถ้าเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะปฏิบัตินะเราควรจะไปพบกับใครควรจะไปพูดคุยกับใครถ้าหลวงพ่อคำเขียนไม่อยู่พระอาจ า, ารย์ไพศาลไม่อยู่นะพระอาจารย์ต่างๆไม่อยู่ เราจะไปเรียนรู้จากอะไรนานี้ก็เป็นข้อที่อาจจะทําให้หลายคนมาแล้ ว, ลวก็ไม่ได้รับประโยชน์นบางคนมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหน้าวัดป่าสุกโตอยู่กันเงียบๆจะไปเรียนรู้กับใคร <c oughs> จะไปถามใคราบางคนก็มาตั้งใจอยากจะมาพบหลวงพ่อกำเขียนบ้างอยากจะมา เพาาราะประจัไปสารบ้างบางทีก็ไม่ได้พบนะก็มาแล้วก็พบพระรูปอื่นๆ น, นะก็ไม่รู้ว่าจะถามใครนะแต่ก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมนะที่เรามาร่วมกันไหวพระสดมนธรรมวัดเย็นในวันนี้นะปกติเราก็จะมีธรรมวัดเชา้าธรรมวัดเย็นนะสำหรับคนคนใหม่คนเก่าก็มาเป็นประจําอยู่แล้วนะช่วงนี้ พระอุโสหลายรูปนะท่านก็ไปร่วมงานบทเนรนะไปที่วัดภูเขาทองนะซเป็นส่วนใหญ่นะพระที่มาทำวัดกันก็เป็นพระรุ่นใหม่ๆนะซึ่งก็มาร่วมกันทำวัดนะเป็นประจำนะในตอนเช้าตอนเย็นสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ดีการศึกษา ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะจะแตกต่างนะไปจากที่อื่นอนนะืนี้สาหรับคนใหม่นะ <c oughs> คนเก่าก็คงจะรู้แล้วก็จะขอพูดให้คนใหม่ทราบซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้พูดให้คนเก่าด้วยเมื่อสักครู่นี้เราได้สาธยายมนนะธรรมจั ก, กรปวัตนสูตรนะซึ่ง เป็นธรรมะหมดแรกครั้งแรกนะที่พระโตรงได้แสดงนะให้กับปัญจวัคคีนะซึ่งสาระสำคัญเนี่ยนะก็บอกถึงทางนะที่เราจะดำเนินือในการที่เราจะใช้ชีวิตนะซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเราก็พอจะเปรียบเทียบได้ อย่างเราอยู่ในสังคมในโลกเนี่ยสังเกตว่าเราก็จะพยายามสแสวง ห, า, หาความสุขาจากความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจนะซึ่งรวมเรียก เรียกลงงงันว่าคือเป็นเป็นความยินดีนะภาษาบาลีก็เรียกว่ากามนั่นเองกาว่ากามนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงผู้ชายนะความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายอันนั้นมันแคบเกินไปแต่ความเพลิดเพลินในการได้ดูนะอะไรที่สวยๆแล้วเราก็จดจําไว้แล้วเราก็พอใจเราได้ยินเสียงอะไรเพลาะ ได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงคำพูดดีๆเราก็จดจำไว้แล้วเราก็พอใจหรือถ้าเราเจอหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ไม่ดีเราก็รู้สึกไม่พอใจนะได้ดมกลิ่นอะไรหอมๆนะก็รู้สึกพอใจถ้ากลิ่นเหม็นกลิ่นไม่ชอบใจก็ไม่พอใจนะได้กินอาหารอร่อยๆเราก็ติดอกติดใจ นะพอใจไปเจออาหารที่ไม่ถูกปากนะเราก็ไม่พอใจหรือกายที่ไปสัมผัสนะสิ่งที่อ่อนนุ่มนะเกิดความพอใจที่แข็งกระด้างเราอาจจะไม่พอใจในี่แม้แต่ใจที่นึกที่คิดคิดไปถึงความสุขเก่าๆเราก็มีความอิ่มเอมีความพอใจคิดไปถึงความทุกข์นะเราก็ไม่พอใจนะี่คือชีวิตที่เป็น เป็นการมาสุขหรือการมุโยกนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมเรียกว่ากรรมสุขนะซึ่งถ้าคนไม่รู้เท่าทันเนี่ย นะก็จะเพลิเพลินนะจะพอใจกับความสุขันนี้นะซึ่งเราเห็นว่าในในชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยมีบริการมีอาหารมีสิ่งต่างๆมาตอบสนองนะความต้องการที่เป็นกรรมสุขเนี่ยมากมายแล้วเราสังเกตดูเถอะนะความพอใจของเราเนี่ยมันจะเทอาต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะเราพอใจ ในอาหารนั้นนี้กินบ่อยๆมันก็เบื่อมันก็ต้องเอาอาหารใหม่หนาหรือเพลงที่เราเคยฟังมันเพราะดีครั้งแรกอะฟังไปสักห้าครั้งหกครั้งก็เบื่อแล้วก็ต้องมีเพลงใหม่มันะมีจังหวะใหม่นาะที่เขาจะเสนอสนองประเด็นชีวิตที่ครุกคลาวหานะหรือเอ่อครุกคลนะีกับสิ่งที่เป็นความยินดีเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะสังเกตว่าคนที่นัวเมานอยู่ในกามาสุขเนี่ยเจนว่าเขาต้องดิ้นรนเขาต้องแสวงห า, าเขาต้องเหน็ดเหนื่อยนซึ่งตรงเนี้เราไม่ต้องไปดูใครดูตัวเราเองตัวเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้ น, นเพราะเราไม่รู้เราคิดว่าความสุขเนี่ย มันจะต้องได้มาจากวัตถุภายนอกได้มาจากการที่เราได้ยินดีนนในตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าการมาสุขนั่นเองทีนี้พอเราริ้มลดการมาสุขบ่อยๆมากๆบางทีมันก็เบื่อมันก็มีจุดหนึ่งที่เราเบื่อนะ้วเบื่อเราก็ตีกลับเลยทีนี้ตีกลับก็คือทิ้งเลยทิ้งชีวิตแบบนั้นแหลยนะไปใช้ชีวิตแบบ เลยสีอ่ะสีเข้าถ้ำอ่ะทิ้งชีวิตแบบสะดวกสบายไปทําให้ตัวเองลําบากนะไปทรมานตัวเองนะไปทําให้ชีวิตลําบากลําบากเข้าไปอยู่ในปา่าไปอยู่คนเดียวนะหลีกลี่ผู้คนไม่อยากเจอผู้คนนะลักษณะนี้มันก็เหมือนกับการทรมานตัวเองนะเรียกว่าอตตกิริมัฐานโยกนะเรียกว่ามันก็สุดตรงไปอีกทางหนึ่นะน ง, งหรือบางคนเนี่ยก็ไปฝึก กรรมาฐานชนิดที่นั่งนิ่งๆหลับตาไม่รับรู้รับทราบอะไรเลยนะก็คือไม่อยากจะคิดอะไรเลยนะนั่งหลับตานิ่งๆนะคิดว่าอันนั้นะ่ะก็เป็นความสุขอีกอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบนะซึ่งขณะที่นั่งหลับตามันก็สงบดีะนะบางทีมันไม่คิดอะไรมันก็สงบดีแต่พอเราลืมตามาเรามาใช้ชีวิตประจำวันมันเจอสิ่งที่เราไม่พอใจ หรสิ่งที่เราพอใจใจมันก็หวั่นไหวอีกนะเรียกว่ามันก็เหวี่ยงไปอีกทางหนึ่งนะมันก็หาทางไม่เจอนะเรียกว่าไปสุดต่งทั้งสองทางเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยพระโตงก็เลยเสนอว่ามันมีอีกทางนึง น, นะนะการดําเนินชีวิตนะด้วยมรรคในองค์แนะ เซนกับพูดไวถึง8ข้อด้วยกันนะแต่ถ้าเราจะรวบลัดสรุปลงมาเนี่ยนะข้อที่สําคัญสําคัญก็คือเรื่องสัมมาสตินะหรือความรู้สึกตัวนะตรงนี้ก็คืออย่างนา้อยๆเนี่ยนะเราจะต้องมีความเห็นแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันไม่ได้เออจะมีความสุขกับวัตถุภายนอกอย่างเดียวนะเลยว่าไปทําตัวให้สงบนิ่งไม่รับรู้อะไรนะ แต่ควรจะเป็นชีวิตที่ตื่นรู้กับความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจที่เราได้ประสบพบกับชีวิตของเร า, าที่มีอยู่ในปัจจุบั น, นซึ่งสิ่งที่จะทำให้เรารู้เท่าทันโลกก็คืออารมณ์ต่างเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัว นรลือสติสัมปชัญญะนั่นเองสติสัมปชัญญะเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สุดโต่งไปในทางที่ยินดูพอใจกับการมาสุขแล้วก็ไม่ไปติดในความสงบนะส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตเนี่ยบางคนพอ เม่พอใจกับเรื่องการมาสุขม า, มายินดีกับเรื่องความสงบแล้วเนี่ยบางทีก็ไปจมอยู่ในความความสงบชอบนั่งนิ่งๆหลับตาไม่คิดอะไรคิดว่าอันนั้นน่ะก็คือการฝึกจิตละนะก็คือความสุขละนะซึ่งถ้าเราสังเกต ด, ดูดีเนี่ยเจ้าชายสิทธถะเนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งชีวิตในวัง ไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชท่านไปเรียนรู้กับฤษนะีอาาลาล า, ลาบทอุท ก, กดาบทเนี่ยก็ไปทรมำนตนไปฝึกแบบสงบนิ่งๆอะ่นะสงบแบบนิ่งๆไม่รับรู้อะไรอะ่นะซึ่งสามารถที่จะเข้าฌานฌนะานเจฌาน8ได้แต่ท่านก็ยังไม่พอใจเพราะว่าอันนั้นเป็นความสงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะท่านมาเรียนรู้ สุดท้ายท่านมาพบว่าสิ่งที่มันทำให้เราไม่พอใจหรือเราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองเราไม่รู้จักกลไกของธรรมชาตนะิที่ทำให้เราพอใจไม่พอใจนะซึ่งตรงนี้ท่านมาเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองนะซึ่งตรงนี้เนะ่เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อเรียกว่าเป็นทางสายกลางนั่นเอง สำหรับทางสายกลางนะที่พระเถรุลงทรง้นพบนั้นนะที่เราสามารถจะนาํามาใช้ได้ในปัจจุบันนีนะ้ก็พบในมหาสติปัฏฐานสูตรนะก็คือการที่เรามาทําความรู้สึกตัวนะก็คือกลับมารู้นู้รู้ตัวชีวิตแก่อนนั้นเราทําไปตามสัญชาติญาณบ้างทําไปตามความเคยเชินบ้าง ทำไปตามความพอใจไม่พอใจบ้างนะอันไหนที่เราพอใจเราก็อยากจะทำอันไหนที่ไม่พอใจเราก็พยายามปฏิเสธแต่ของบาอย่างเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะของัางอย่างเราก็บังคับบัญชาไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราเทุกทุกสุขนะพอใจไม่พอใจอยู่เสมอแต่เมื่อเราได้มากลับมาดูตัวเราเอง กลับมารู้สึกตัวนะกลับมาเจริญสตนะิตามแนวสติปัฏฐาน4นะก็เพื่อทำให้เราเห็นว่าโอ้ชีวิตจริงๆของเราเนี่ยนะมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสุขทุกตลอดเวลาชีวิตของเราถ้าอยู่แค่สุขแค่ทุกข์เนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนะเป็นชีวิตที่ไม่มีจุดจบ มันไม่รู้จะพักพิงที่ไหนแต่เมื่อเรามาเจริญสติด้วยความรู้สึกตัวโดวยใช้หลักสติปัฏฐาน4เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้จักจ บ, จบหรือความเป็นปกติของจิตใจได้เราจะสามารถอยู่เหนือความพอใจไม่พอใจความสุขหรือความทุกข์ได้ซึ่ง ตรงนี้น่มันเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งโดยเมื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในมิติที่มันสุขสุขทุกทุกนะทำอะไรไปตามอารมณ์ทำอะไรไปตามความคิดนะโดนความคิดมันพาไปทำนู่นทำนี่นทำตามความกระชินทำตามสัญญาตยานซึ่งเป็นเป็นชีวิตที่ไม่เป็นอิสระแต่เมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ย นะมันจะเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งเป็นชีวิตที่เป็นอิสระนะเป็นอิสระจากความพอใจไม่พอใจความอิสระนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรากลับมารู้สึกตัวนะด้วยการเจริญสติการเจริญสติตามมาสติปัฏฐานนั้นมาได้กล่าวไว้ในหลายวิธีนะโดยเริ่มต้นที่ การมาทำความรู้สึกตัวที่กายก่อ น, นาการมาทำความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีอย่างเช่นอานาปนาสติคเดออริยบพะสัมปัญญา บ, บภาคดีหรือแม้แต่การพิจารณาอสุภกรรมาฐานแตซึ่งถ้าใครอ่านหนังสือหรือว่าศึกษามาก็ควรจะทราบดีแต่ซึ่งทุกวิธีแนละ้วก็มีมีข้อดีนะ แต่สำหรับที่วัดป่าสกุโตเนี่ยเราจะเน้นนะเป็นการเจริสตินะโดยใช้การเคลื่อนไหวของกายนะโดยการเคลื่อนไหวของกายที่ชัดเจนก็คือการเคลื่อนไหวด้วยการยกมือ1ิจังหวะนะอย่างถ้าคนมาใหม่ในคงจะเห็นนะคนที่เก่านี่ก็ทำมาเป็นประจําอยู่แล้วการ ยกมือสิบสจังหวะเนี่ยเป็นวิธีการที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้ค้นพบเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วแล้วก็ได้นําเสนอนะให้เราได้ทดลองพิสูจน์นะก็คือการที่เรามาทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือนะเมื่อเราพลิกมือให้เรารู้สึกเมื่อเคลื่อนให้รู้สึกเมื่อหยุดให้รู้สึกนะ ยกมือไปเอามือมานะให้มีความรู้สึกรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวเราจะ่ายกเปล่าๆย ก, กฟรีนะโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะการทำโดยวิธีนี้เนะี่ยจะทำให้เร า, เ, าเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นอะกจากการเคลื่อนไหว14จังหวะแล้วนะก็โดยการเดินจงกลมนะ การเดินโยงกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวของกายาเพื่อให้มีความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายการทําในรูปแบบเนี่ยเป็นส่วนสําคัญสําหรับคนเริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดว่ารูปแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่สําคัญอาตมาได้ยินหลายคนบอกว่าทําอะไรก็ เป็นการจเจริญสติได้ทันในการทํางานได้อันนั้นต้องเป็นคนที่เ้ามีเงื่อนสี่แก่กล้าแล้วจึงจะพูดอย่างนั้นได้คนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่าประมาททีเดียวคนจะเริ่มต้นที่รูปแบบนะการมาทําความรู้สึกตัวที่การสร้างจังหวะสิบสีจังหวะการเดินจงกรมนะให้ทํำบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่มาใหม่นะ มีพ้าที่บทใหม่ก็ดีนะพยายามใช้เวลาเนี่ยปรับการเจริญสิทธิในรูปแบบตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยปลุกความรู้สึกตัวปลุกจิตให้ตื่นขึ้นการฝึกเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวนั้นเราจะไม่เน้นให้สงบนะคำว่าสงบในที่นี้คือสงบนิ่งแบบไม่รู้อ่ะนะเท่าที่สังเกตนะ่คนมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมานั่งนิ่งๆ่งสงบ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสงบแล้วรู้ดีแต่ถ้าสงบแล้วไม่รู้ก็คือสงบแบบนิ่งไม่รับรู้อะไรไม่อยากคิดอะไรเลยอันนั้นมันจะทําให้ติดสงบแล้วก็จะทําให้เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ไม่อยากพบกับสังคมไม่อยากพบกับผู้คนแต่การที่เรามาเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการที่เราจะ เผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรารู้เท่าทันมันเพื่อที่จะให้เห็นอารมณ์เหล่านี้เห็นความคิดเหล่านี้แล้วก็หาทางที่จะไม่จมเข้าไปอยู่ในอารมณ์ไม่จมเข้าไปอยู่ในความคิดการที่เราเป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เพราะเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเนี่ยมันจมไปอยู่ในอารมณ์จมไปอยู่ในความคิด นะก็เลยทําให้เราทุกบ้างสุขบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ถ้าเรามาจเจริญสติมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราไม่จมหรือไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปในความคิดนะเรียกว่าเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความสมดุลนะเป็นทางสายกลางที่จะไม่สุดตรงไปทาง เอ่อพอใจหรือไม่พอใจยินดีหรือไม่ยินดีนะมันจะเป็นสภาพที่ใจเป็นปกตินะซึ่งอันนี้นเป็นธรรมชาติเพราะนั้นการทําวิถีเนี่ยมันจะพบจากความสงบอีกแบบหนึ่งเป็นความสงบที่รู้ตัวไม่ใช่ความสงบแบบไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะเราเรียนกรรมฐานกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเน้นตรงให้สงบแบบนี้อะ่ะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้นิ่งช้าคนที่ฝึกมาหลายๆวิธีคงใจเห็นแล้วท่าไปถึงจุดหนึ่งมันจะตันมันจะตือ้อมันจะให้มันไปไหนไม่ได้บางคนนั่งไปมึงๆแล้วตัวมันหายตกใจว่าตัวมันหายไปไหนตกใจเลยไม่รู้จะต่ออย่างไรนาตรงนี้เพราะว่าไปติดสงบนั่นเองนาไปฝึกสมาธิโดยสติยังไม่ชัดนาคนที่ฝึกสมาธิโดยสติยังไม่ชัดเนี่ยอันตราย อันตรายอย่างไรก็คืออาจจะทําให้เราตกกตกใจได้ง่ายอาจจะทําให้เราสร้างภาพวิมิตต่างๆขึ้นมาได้ง่ายซึ่งตรงนี้มันเป็นมายามันไม่ใช่ของจริงหรอกนะประเด็นตรงนี้เนี่ยถ้าสติเราไม่ชัดไปทําสมาธิมันมีโอกาสที่เราจะตกออกตกใจหรืออาจจะหลงได้ง่ายเพราะเด็นถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยในอริยมรรคทีองค์แเนี่ย ข้อที่7คือสัมมาสติข้อที่8คือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นแสดงว่าสัมมาสติมาก่อนอไปสัมมาสมาธนะิแต่ส่วนใหญเราจะกระโดดข้ามไปฝึกสมาธิเลยนะไม่ได้ฝึกสติกันนะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราอาจจะเนิ่นช้านะทีนี้ตัเกีนี้พูดถึงว่าการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยนะเราเริ่มต้นที่กายก่อนเนะพราะกายเนี่ย เป็นสิ่งที่หยาบที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะฝึกได้ง่ายที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวได้ง่ายที่สุดนะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของมือก็ดีการเดินจงกรมก็ดีการเอากายเป็นเครื่องหมายหรือเป็ น, นมิมิตเป็นอุปกรณ์เนี่ยมันจะมันจะทําได้ง่ายถ้าเราไปใช้ลมหายใจก็ดีมาไปสร้างมิมิตรต่างๆก็ดีเนี่ยมัน มันทำยากถ้าเทียบอยู่แล้วนะเพราะว่าดูาเพื่ลหมหายใจนั้นมันละเอียดนะคนที่ทําไม่ดีบางทีก็หลับไปเลยจังเลื่องไปเลยนะหรือหลับไปง่ายนะแต่ถ้าเราลืมตาลืมตาทํายกมือก็ดูเดนจนกลมก็ดูโอกาสที่จะเื่องเนี่ยมันก็มีนะมีใช่ ม, มีแต่มันจะมีกำลังพอที่จะสู้กับความเ่วงได้ถ้าเราไปใช้ลหมหายใจเราไปนึ่งเนี่ย ถ้านะความรู้สึกตัวมันจะอ่อนแล้วมันจะหลับได้ง่ายแต่ถ้าเรายกมือปิมตาไปชนกับความเมื่องเนี่ยความเมื่องมันก็จะสึ้าไม่ได้เหมนถ้าเราใจแข็งพอแล้วมันจะตื่นตัวได้ง่ายนะเพระนการทำจเจริญสติโดยการสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีตรมนี้เนี่ยนะจุดประสงค์สําคัญก็กคือปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้น ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นให้มันเป็นความจับไวขึ้นให้มันรู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวถ้าเรารู้กายรู้กายที่เคลื่อนไหวได้ชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้ใจที่มันคิดขึ้นมาใจที่มันคิดมันไม่มีตัวตนมันเห็นไม่ยากเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดไปดูได้เราไม่สามารถที่จะมุดไปคิดว่าใจมันเป็นอย่างนั้นใจมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเราทําความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยความรู้สึกตัวที่มันตื่นขึ้นตัวนี้แหละมันจะไปดูใจที่นึกคิดนะมันจะเห็นได้ง่ายนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวที่จุดเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการฝึกโดยการเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวนั้นจึงเป็นวิธีการที่เหมาะนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตที่ต้องมีการเคลื่อนไหว เราไม่ต้องไนั่งนิ่งๆเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาแม้แต่ยกมือก็ไม่ต้องหลับตาตื่นขึ้นมานาะให้มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเมื่อเราทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนาะเราก็จะสัมผัสนาะสัมผัสกับอาการปวดอาการเมื่อย น, นานไปนานมันก็ปวดมันก็เมื่อยอาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของร่างกาย แต่ก่อนถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วเราจะรู้สึกทนไม่ได้แล้วใจมันจะคิดละนะมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแต่ถ้าเราลองทนนั่งดูมันปวดมันเมื่อยใจมันเป็นยังไงใจมันเฉยเฉยใจมันปกติหรืใจมันหงุดหงิดเออเนี่ยมันเป็นบทเรียนเพราะืั้นความปวดความเมื่อยก็ดีความร้อนก็ดีนะความ รู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันจะเกิดมันจะรู้ขึ้นจากการที่เรายกมา้ายกมือเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะหรือแม้แต่ลมที่พัดมากระทบกับผิวสัมผัสเราก็จะรู้สึกขึ้นมาเพราะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กลายตัวเลยไม่ต้องไปนึกคิดอะไรให้มากเลย สัมผัสกับสิ่งที่เผชิญหน้าปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นอาการปวดอาการเมื่อยอาการร้อนอาการหิวอาการเย็นต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายาการกระพริบตาก็รู้การกลืนน้ําลายก็รู้การหายใจก็รู้เนี่ยมันจะมันจะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆใจมันจะกลับมาดูด ก, กับเนื้อกับตัวชีวิ้แต่ก่อนที่เราไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่นอกเนี่ยใจเรา มันห่างจากกายเราก็เลยไม่รู้ไม่รู้ตัวเมื่อเรามาทำอย่างนี้ใจเราก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนะมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้กับตัวบ่อยๆเราเห็นกายที่ชัดแล้วนะมันก็จะเป็นความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งอยู่เราฟังอยู่เราทำอะไรอยู่ก็ตามเราก็จะเห็น ความสุขความทุกข์มันก็เป็นรามธรรมมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มันมองเห็นได้ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าตาใจตาใจเป็นตาที่สามทุกคนมีแต่เราไม่ได้ปึุกเราไม่ได้ใช้ทำให้เราเนี่ยเรื่มตัวเ ป, เป็นบางครัง้งบางคราวบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวบทีก็ทำไม่ไดีไปแล้ว อะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาทําความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวจะทําให้เราไปรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ่าจากความสุขความทุกข์ความนึกคิดต่างๆคิดดีคิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอะมันเกิดขึ้นมาสิ่งต่างๆ่างเราเนี้ยก็ここอาศัยความรู้สึกตัวนั่นแหละความรู้สึกตัวที่เราฝึกที่เราทําอย่างต่อเนื่อง นะทาอย่างต่อเ น, นื่องกันนะก็จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเราเห็นตรงนี้เรารู้กายรู้เวทนาเวทนาคือสุขทุกข์นะรู้วความนึกคิดนะที่เป็นอาการของจิตนะที่มันเกิดขึ้นเราก็จะไม่หลงจมไปอยู่ในความนึกคิดไม่ไปจมอยู่ในความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์มีแต่เราไม่จมเข้าไปแต่ก็เราจมไป สุขเราก็อยากจะเอามาทุกเราก็อยากพยายามดันมันอกไปนะเมื่อจากนั้นมันก็จะมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเมื่อเราไปกระทบกับโลกไปกระทบกับชุมชนกระทบกับสังคมนะจะเห็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้ตรงนี้ใครที่อ่านหนังสือมากๆทิ้งให้หมดเลย ฟังอะไรมามากๆากที่นีหมดเลยมาสัมผัสกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าด้วยความรู้สึกตัวอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านหนังสือมามากมากฟังมามากๆเนี่ยเราจําแล้วพยายามจะมาเทียบเคียงการจําแลา้วมาเทียบเคียงมันก็คือความคิดแหละมันเป็นความคิดอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวประเด็นที่นี่หมดแเลย การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้เฉพาะหน้าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะและาไม่จมก็้ปในอารมณ์นั้นกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการฝึกใหม่ๆเนี่ยอย่าว่าจะคนใหม่และคนเก่าก็เหมือนกันมันจะมีอุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่านิวรณ์นิวรณตัวแรกที่เจอคือความง่วงนะมันง่วงง่วงยังไม่เคยง่วง เบื่อเบื่อยังไม่เคยเบื่อนะมันฟุ้งซ่านนะมันลำคาญมันสงสัยลังเลซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่ฝึกใหม่แล้วไม่รู้ไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมักจะท้อเลยเนะเอ๊ะทำถูกไหมทําไปแล้วมันทําไมเม่วงเราเคยได้ยินว่าทําสมาธิมันน่าจะสดชื่นสิใช่ไหมมันน่าจะสงบสิมันไม่น่าจะฟุ้งซ่านสิ ให้เราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยนะ้ำมันก็สงสัยขึ้นมาซึ่งตองนั้นละ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเรียนรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่เข้ามาให้เราเรียนรู้เราเรียนรู้จากความง่วงเราเราง่วงแต่เราไม่นอนน่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะนอนน่ะเราทำตอนกลางวันน่ะนะหลายคนฝึกใหม่ๆนี่พอง่วงก็ไปนอนเลยนะนี่ก็คือยอมแพ้เลยไม่ผ่านด่านนี้ หรือบางคนทาแล้วเบื่อน่าสังเกต ด, ดูคนใหม่ๆเนี่ยทําแล้วเบื่อเบื่อก็ท้อเลยทิ้งเลยไม่เอาเลยไม่อยากทําละไม่สู้ละบางคนทำแล้วฟุ้งซ่านเอ๊ทําแล้วมันไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยจริงๆสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการของจิตเป็นสภาวะธรรมที่เขามาให้เราเรียนรู้ถ้าเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> ไม่ต้องตกใจเลยไม่ทําตามเขา มันง่วงเราไม่นอนมันเบื่อมันใชจเราหยุดทํำเราไม่หยุดเราทําต่อเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทําทําอะไรก็สร้างจังหวะนี่แหละเดินจงครมนี่แหละนะลองดูซิมันจะง่วงที่สุดนะที่สุดของความง่วงมันคืออะไรนะมันก็คือตื่นและความง่วงความเบื่อเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไป เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เรียนรู้ความไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่บังคับบัญชาไม่ได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเราไปอ่านหนังสือเนะี่ยบางทีมันทำให้เราหลงอนะ่ะใช้ภาษากันหรูหรามากแล้วเราก็ไม่เข้าใจ มาปฏิบัติก็เลยสงสัยอยู่นั่นแหละเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้ที่กายเรียนรู้ที่ใจของเราหลวพ่อคเขียนใช้คำว่าเอากายใจเป็นตำราเอาสติความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษาดูมันลงไปกายมันเป็นยังไงมันมีอาการมันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างใจมั น, นุษยมันคิดอะไรบ้างให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปตามมัน กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆจุดเริ่มต้นสําคัญก็คือกลับมารู้สึกตัวที่กายให้ได้บ่อยๆตรงนี้เนี่ยจะทําให้หลุดพ้นหรือก็ปล่อยวางได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องการทําบ่อยๆมีความเพียรพยายามให้ได้บ่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรา มีจิตใจที่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกายกับใจมันก็จะอยู่ด้วยกันแต่ก่อนกายอยู่ในี่ใจมันคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆนานามันไม่รู้เท่าทันนะทีนี้เมื่อเราฝึกในรูปแบบได้ชัดแล้วเนี่ยในชนีวิตประจำวันเราก็พยายามที่จะฉวยโอกาสนะที่จะรู้สึกตัวกับกิจวัตรประจำวันนะตั้งแต่การตื่นนอน การแปลงฟันการล้างหน้าการรับทานอาหารการเดินไป น, นู่มนมานี่การซักผ้านะเราพยายามช่วยจังหวะที่จะมีความรู้สึกตัวเข้าไปซึ่งตรงนี้จะทําให้ความรู้สึกตัวของเรานั้นมีความต่อเนื่องความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนั้นไม่ได้หมายถึงเราจะต้องจี้ใหมันรู้สึกตัวตลอดเวลานะความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนั้นก็คือความรู้สึกตัวที่ เป็นเป็นเปลาะเป็นเปลาะนะหลวงพ่อมเขียนย้ําคำว่าเป็นเปลานะเป็นเปลาะก็คือไม่ใหม่นีมันก็จะรู้บ้างเผลอบ้างอ่ะรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างแต่มันจะรู้เร็วกว่าเผลอนะรู้ได้บ่อยๆนะจากที่เคยคิด10เรื่องไม่รู้เลยนะพอเราทําความรู้สึกตัวบ่อยเนี่ยสิเรื่องเรารู้ทันเรื่องหนึ่งเอออีก9เรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรทไําบ่บ่อยสิบเรื่องรู้ทันสองเรื่องอีก8เรื่องไม่รู้ ทำบ่อยๆเนี่ยในที่สุดมันจะเกิดอย่างนี้คิดปุ๊บรู้ปับ๊บคิดปุ๊บรู้ปับ๊บอันนี้เป็นอัตโนมัติและอันนี้เริ่มที่จะใช้การได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกหรือการทำบ่อยๆทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบแต่โดยเฉพานอกรูปแบบเนี่ยทําอะไรอาจจะทําให้ช้าลงนิดนึงใส่ใจที่จะมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรต่างๆ ในการเคลื่อนไหวของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับหลับก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันละว่ามันจะเป็นอย่างไงนาหลวงพ่อพกังเกงก็เคยพูดว่าคนที่ฝึกสติดีแล้วเนี่ยแม้แต่ฝันสติมันก็เข้าไปจัดการได้นะแต่ตอนนอนแล้วก็คงไม่ต้องมาทําอะไรหรอกสติเขาจะไปทํางานเขาเองนา น, นี้ก็เป็นผลนาที่เกิดจากการฝึกเพราะนั้นคนที่มาใหม่เนี่ยนาก็อยากจะแนะนํานะว่า เอ่อให้ฝึกนะให้ฝึกการเจริญสติการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะและคนเก่าก็ดีก็น่าจะใช้เวลาสำหรับเรื่องนี้ให้เต็มที่กิจกรรมอย่างอื่นก็ถ้าเป็นงานของส่วนรวมนะก็ช่วยไปนะแต่ว่าเมื่อมีเวลาว่างเนี่ยอย่าไปมัวหาความสุขจากการนอนจากการพูดคุย ตรงนี้จะเสียเวลาแล้วก็เสียดายนะที่มาอยู่วัดป่าสุกโตแล้วก็ไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้นะสมัยที่ตัวกระผม้ี่ตั้มมาได้ฝึกกระหลงพ่อเทียนเนี่ยวันนึ่งวันเนี่ยเราเล่นในรูปแบบนี้เลยหลวงพ่อไม่ได้บังคับนะแต่เราทำํำนะเพราะเราอยากรู้อะมันเป็นยังไงนะ่ทุ่มเวลาให้หมดเลยกับเรื่องพวกนี้นะนอกจกนั้นก็ ทำกิจวัตรประจําวันไปเพราะนั้นมาอูวัดป่าสุโกโตเนี่ยสังเกตว่าให้อิสระเต็มที่คนที่ไม่คุ้นเคยคนที่ควบคุมตัวไม่ได้ไป่อชีวิตให้สบายสบายเนี่ยน่าเสียดายเวลานะน่าเสียดายเวลาที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายมากนะก็อยากจะชักชวนนะเจิญ ช, ว น, ชวนให้พวกเราได้ใช้เวลาที่มีอยู่ กับการฝึกจะผิดจะถูกไม่เป็นไรนะลองผิดลองถูกไปถือว่าเป็นประสบการณ์นะถ้ามันตื้อมันตันก็ถามหลวงพ่อเขียนบ้างถามครูบาจารย์บ้างนะถ้ามันตันจริงๆนะแต่บางทีทําไปทําไปมันก็มีคําตอบออกมาเองนะถ้าเราฝึกได้ถูกต้องเนะหมาะสมนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชักชวนพวกเรานะที่มาใช้ชีวิตย อ, ยอยู่ที่วัดป่าสุขโทนนี้นะก็ คิดว่าพวกเราก็เป็นกาลยานามิตรกั น, นช่วยเหลือกันเกื่อกนกันเป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่กันและกั น, นด้วยการฝึกตัวเราเองทำเป็นตัวอย่างให้ดูปัให้เห็นตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์คนที่มาใหม่ก็ได้เห็ น, นได้เห็นสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ก็จะได้เป็นตัวอย่างก็เป็นการส่งเสริม เส้นะกันละกันให้เราได้มาเรียนรู้นะชีวิตนะก็คือกายและใจของเรานะเพื่อที่จะได้กลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจนะที่เป็นที่พักพิงที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่สุดนะของการฝึกนะที่เราจะพบได้ในปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปรอตายไปแล้ว นะบางคนก็คิดว่าไปตายไปแล้วแล้ค่อยไปเอาสวรรค์ไปเอานิพพานอันนั้นมันชากันไปละเราเดี๋ยวนี้เลยเอาปัจจุบันนี้เลยนะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะให้กับทุกคนในที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตพขะนั้นวัดป่าสุกโตเป็นสถาบรรันสติปัฏฐานจะส่งเสริมเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นหัวใจสําคัญของวัดป่าสุกขโต ถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้ถือว่ามาไม่ถึงวัดป่าสุกดโตอาจจะมาสามวันห้าวันก็ดีมะถ้ามาแล้วอยู่เฉยๆมากินกิน น, นอนนอนสุขสบายเนี่ยมาไม่ถึงวัดป่าสุกโตนะแต่ถ้ามามาฝึกามาเจอมาบดเชิญกับอารมณ์ต่างๆแล้วเราแก้ไขได้ เราสามารถที่จะมีความรู้สึกตัวอยู่เหนืออารมณ์ได้อยู่เห น, นือนความคิดได้นั่นนามาถึงป่าสุกโตแล้วนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะก็คิดว่าส่วนนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะสิ่งที่ได้พูดให้ทุกท่านได้ฟังนะก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะได้นําไปพิสูจน์กันดูนะตัวกระผมนิตมาเองก็ พิสูจน์อยู่นะกำลังเดินทางอยู่นะแล้วก็มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจนะที่จะทมต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีความเชื่อนะว่าสิ่งที่เจ้าชาย ส, สิทธ า, ทธาได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนท่านได้ค้นพบที่สุดของทุกเนี่ยมันมีจริงๆในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ เราควรจะมาพิสูจน์แล้วก็มาทดลองด้วยตัวเราเองด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาของพวกเรานะทุ่มลงไปกับเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าไม่เสียชาติเกิดนะที่เกิดมาครั้งริมได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะอาไรในท้าที่สุดนี้ก็ขออ้างเองเอาคุณพระเรตระไตรและก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในทุกท่านนะพระธรรมก็คือความจริงที่จะปรากฏให้เราเห็นนะโดยใช้ตาใจเข้าไปดูนะและพระสงฆ์ก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัติเรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนี้เองนะประกอบกับความเพียรพยายามของทุกท่าน